วันนั้น 10 คำก็แม่นพอเพิ่นนี่น่ะวันนั้น 8 คำบ่วันมันวันที่ 17 8 คำมันฝันความคืนมันจําได้นั่นมันฝันว่าผมตายสิมันมันมันวันวันที่ 18 โอวันที่ 6 ผมเปิดไปที่วันนั้นฝันมันบอกมันก็เลยเปิดดูขึ้นวันที่ 16 สิงหาตั้งกองคำยาม จะทําเป็นครั้งนึงมีเป็นเมื่อทางวันที่ 6 หน้าวันที่ 7 สิงหาคมเป็นอันนี้นําปอน้ํานอนก็ครับเสร็จแล้วก็ทําห้องน้ําครับไปฝันขอบคุณครับ อาจารย์ก็นี้สุดยอดพอดีนี่ก็ไผ่มันบ่ได้มันว่ารักสมนี้สมัยออกจากนิโซแล้วรักสมนี้บุคคลอรหันต์ทั้งหลายร่วมกันรู้กระใจกันมากกันนะอือเยอะจริงโอ้สุขอรสุขเป็นรักสมนี้มา จากความผูกพันของกุฎิเจ้าทั้งหลายของปลานทั้งหลายลงมาหากันทรงลงมากันทรงปรรับกันมันของของมันมันว่ามันขึ้นโมนี่ของตัวก็ออกสูมันออกส่งแสงล่างเหมือนกันขึ้นนี่ตัวขึ้นขึ้นหูมันออกเลยถึงมันบ่ย่านอีหลีก็แท้มันออกตรงทางกลางกระหังจําในส่วนใดจําได้ตนนี่พอสะดุ้งเป็นมังโผเซาขึ้นนี่ยังไง อาจารย์เรื่องคำพันธุ์นี่มันแค่มีพระภิกขุอาจารย์เนาะเรานี่พอคำพันธุ์มันเคยแนวเคยแนวแล้วฟันไหนมันแนวเลยมันนี่ฟันทั้งหิงอย่างเพิ่นป่วยหลายอย่างมันมาอยู่ๆเนาะเป็นอยู่มันเจอคนผู้เก่า <c oughs> มีแล้วก็ดีใจที่เจ็บใจหลวงผมขึ้นนอนไม่ได้ตลอดแป๊บนึงก็ขึ้นปกเงินติดภูมิติดตายทั้ง 2 อย่างเริ่มต้นตายก็เรื่องนี้ก็ดูไม่ตกอย่างคนควรความเป็นพันเกี่ยวด้วยกันขั้นร่วมตายอย่างนี้มันป่วยโดยเด็ดพุ่นน่ะป่วยเด้นี่ก็เลยรีบเก็บแล้วกําแนงวันวันหลังน่ะ นี่ลงในธุดงค์นี้มันเป็นมากมันเป็นมาก 6 นะโดยการตั้ง 98% ไม่ถึงเก่า 99 นั้นมื้อพื้นวันอันนั้นเก่า 99 อันนั้นมันควายหมดเลยนี่เป็นเครื่องสับแปรจะทับตายอย่างสําคัญให้พิจารณาในทางที่ตับของน้ํา ธุรกิจมันขาดจากอะไรนะมาเป็นหนักหนํากว่าสร้างสินค้าโดยทัดเทียนสินค้าอืมตามระเบียบนี้สินค้าทั้งนั้นเป็นบาดหรือว่ามออารมณ์เรื่องเรื่องที่เคยจดท้องกันมากน้อยมันตกขั้นข่ายไปกรรมคนอยู่ประเทศนี้เป็นประเทศของถึงนั้นท่านพี่น้องเป็นมันๆมันไม่กล้าจนตายเลย มันจะเป็นยังไงขนาดที่ตามปริยาระหว่างขันธ์กับปัจจมันจะเป็นยังไงอืมไม่ทราบตอนที่มันเป็นรูปมันทั้งเจ้าก็เวทนามันก็ฟังโทษถาดนี้ครับผมอาเจียนของอาเจียนครั้งที่ 2 นี้มันพุ่งจะปานทีๆติดปาน มันได้มันได้คนกําลังสิมีนี้มันสิเหลืองถึงอักเย็นถึงขนาดพุ่มพุ่มไปหาหัวหัวแห้งมันน่ะนะน้ํารักอาหารปั่นผืนพุ่มไปฝาปิ๊กฝานี่ต่างเจ้าขอว่าหาใหม่กินได้ก็กินไว้ก็เลยสดเพียงได้น้อยๆหลังจากนั้นมันมันทายหรือได้พอกินไปทายมันอักเย็นนู่น เขาก็นําออกบนเขาต้นน้อยๆเมื่อกี้อืมก็พุ่มนี่ไปฝาพุ่มพุ่มพุ่มเป็ดกันไปกันจนกระทั่งเส้นท้องนั้นเป็นแผ่นกระดานเลยพอจะหามาก็มันใหม่เลยไปคือมันเป็นที่เห็นสัมพันธ์กันนี่ก็งี้พุ่มนั้นอยู่คู่กันพร้อม อือคือลองค้นพรมกันถ้ามันได้เข้ามีจิตความนึกคิดสู้ครับขึ้นหมดเลยแม่อวัยวะนี่ไม่ใช่ว่าหูหนวกตาบอดนะมันเลยหนวกไม่บอดการมันเป็นทางอะไรขึ้นไปดําเอยพี่ถ้าตาบอดนี่ทั้งรู้รับทางนี่มันไม่เห็นมีมืดในตาไม่เห็นวัตถุมันก็เห็นมืดอยู่ในตาของตัวเอง เส้นห่วงนี่มันไม่ได้มีปฏิกิริยาจริงๆต่างๆในภาระตัวเองอันนี้มันหมดมันเป็นขั้นม้ายไปแล้วร่างกายจะสวนเป็นธรรมะเป็นถึงไม่มีความรู้สึกยังมันหดตัวลงมาเอื้อแต่ความรู้มันน้อยทุกขเวทนาที่สร้างอัดดับหมดนั่นตรงนี้ที่มันรู้ได้ชัดต้องคนเราต้องมีสติแล้วสมรรคมันจะไปจริงๆแล้วทุกขเวทนาต้อง คือมันต่อยไปก่อนมันก็ไปต่อยความรับผิดชอบจะต่อยมาไหนอย่างคืออันธรรมชาติมันต้องต่อยความรับผิดชอบกับอุปทานไม่ต่อยอุปทานทางจิตมันไม่ต่อยที่อะไรๆก็ดูในจิตมันไม่ต่อยกรรมวิบากกรรมมันไม่ต่อยในจิตอือนี่คิดกันด้วยกันคิดนึงมันปรากฏขึ้นอย่างนี้มันคิดกับ น่ะหมดไอ้ตัวตู้ลูกกับกระป๋องนี่มีช่องมีสายแล้วกันพูดอย่างชัดๆมันไม่เก็บกระป๋องไม่ต้องได้เข้าไปถึงหนามนั้นนี่ปกเลยคือคิดว่าเนี่ยคือมีมาครบแล้วร่างกายก็จะมันถ้ามันดิดกระเชื่อมยับนี่มันมันก็ไปนั่งแล้ว like 99% เป็นยับขึ้นไปอันนี้มันไม่เคลื่อนมันเบี่ยงเข้าไปแล้วก็อยู่ที่ความไม่ชอบมันถอนมาข้างหลังความไม่ชอบมันรู้สึกนะส่วนพรสวรรค์ต่างๆนี้ถอนต่างนี้เริ่มกลับคว้างหมดเพื่อจะไปได้นี่มันต้องยึดปกนี้นี่ไปนี้เลยนะนี่ถึงได้มันจะไปได้นี้คือหมดแล้ว ทุกข์กับหมดแล้วทุกข์จะนำการอัปปะกะปัยนะถ้ามันปะกะปัยขึ้นตั้งดีคือดีมันก็จะตั้งใจให้ปะอัปปะกะปัยก็หมดซิเพราะนี่มีจิตนะมันก็เป็นพลังสมมุติอันนี้น่ะการตลกเป็นสมมุติตั้งขึ้นมาแทนที่มันจะไปมันกลับมีพลังนี้ไม่ถึง 1 นาทีสมมุติ ท่านว่าอีกทีนึงรู้ล่านี้เห็นได้ยินตาเห็นถ้าฟังตามมันก็เห็นร่างกายก็ปรีติเวทนาก็เกิดร่างกายรู้สึกปรีตเวทนาปลุกขึ้นในขณะนั้นนะครับเวทนาก็ 3 อัตถ์เท่าโดดอืมโย่ 990 อันนี้แม่นขนาดนี้ทุกเวทนาสาหัสอยู่ในสถานะในหัวใจมันอ่อนเต็มที่จนไม่มีกําลังเลยร่างกายหมดกําลัง มันอ่อนอยู่แค่นั้นมันเทอยู่นี่นี่คงปังอืมแต่เวลานี้มันไม่ได้นี่มันก็ค่อนข้างดีตัวนี้มันออกเนาะหน้าไกลตอนนี้ยอมไปเออตอนนี้จะกล้าขึ้นมาตรงนี้เราไม่ได้ยืนเราจะต้องออกตัวก็เรายູ້อยู่แล้วเนี่ยระเมเนตเร 56 ขั้นแรกผมมั่นแน่ใจว่าสภาพนี้มีอยู่ 5% จะลองสูงลําดับถ้าเราเนี่ยอาจารย์สภาพประมาณหน้าขึ้นเราก้าวขึ้นบันไดทีละขั้นๆถ้าขั้นไหนไม่ดีทุกคนก้าวเราไม่ได้ก้าวเดินขึ้นไปสภาพตัวยอดของมันเป็นงั้นนั่นแหละเป็นขั้นมันยังยืดเยื้อขึ้นขึ้นครับก้าวไหนขั้นไหนไม่พักไปพักไปจนทําถึงมันได้ระบบสภาพนี้แหละ ศูนย์กําลังดูใน 5% นี่ศูนย์ศูนย์ก็เป็นอยู่พอกลางวุห์ที่กําลังงุ่มก็เกร๊กเกร๊กขึ้นนั้นแหละไม่ลดไปอยู่ตรงนี้สติจะตั้งก็มีกําลังพอที่จะทําทํานี้นิดๆเหมือนก็มีพอนึงพอลมนี่ก็พิมพ์กําลังมีน้อยเท่านั้นนั่นดมให้ใจมันจะหนีศูนย์ก็เหมือนเหมือนอากาศที่ไม่มีเลย ดูเหมือนแต่เหมือนมีลมเข้าแต่มันหมดกําลังขนาดนั้นคุณมีไงถ้าอากาศที่เราจะสูดลงให้สูดเข้าไปในลงให้ปอดใจนี่น่ะมันมีแต่กําลังที่จะสูดเอาลมอกอากาศเข้ามาหาใจเนี่ยมันไม่มีกําลังนี้ไม่มีเหมือนเราลมไม่มีอากาศไม่มีโล่งไปหมดความจริงกําลังของเราไม่มีที่จะสูดออกมันก็เป็นหน้าควบคลุมที่มันฝันครับ Kait seri mondoNetKalo Jet. uma นาผ้าที่นาผ้าสวยงามเกือเป็นตามบางพันนาผ้านี้ควรจะปั้นที่นามาถึงจับได้แล้วไม่มีปัญหาอืมมันก็กันนี่ด้วยอะไรดีทันล้างเลยงานธุรกิจนะ ตั้งเดือนกว่าหึผมไม่ถึงเดือนนะมกราคม 78 ครบ 1 เดือน 5 กว่าได้ก็ไปคิดถึงน้ําที่นี่มันมันเป็นมากินเชิญเราคํานวณอะไรๆเราถูกล้องคํานวณแบบเดิมมาหมองมันเป็นมันเหนื่อยพั้นผมดีกว่าคิดเรื่องนี้ นี่บางทีแล้วบางทีนี่มาบนบูเนี่ยบูแล้วกําครองอยู่ตามบัญชีทางอยู่หนองหอกมันมันเป็นคือมันแทรกกันยาวไปจุดไอ้จ่องนี่ดึงมันออกไปแล้วมันเป็นนี่มันอยากไปตะกําปินาไก่กองอักขังมันไม่เป็นเนี่ยมันแก่กันอารมณ์ของธรรมอารมณ์ของโลกเป็นผูกกันอย่างมากเช่นเรากําหนดพุทโธพุทโธนี่กับความคิดนั่นน่ะมันก็เป็นสังขารเหมือนกัน ความคิดนั้นมันทําจิตใจนั้นเราว้าวลงพอส่วนความคิดทํากุมคําปัดทําชื่อมูลนิกรรมทุกข์โทอุทโธต้นๆคํากุมนี้มันจะทําให้สงบได้ความกุมอย่างนั้นของโลกนั้นมันทําให้คุ้มให้ดับเป็นทุกข์ได้ประโยชน์ทั้งฐานภูมิไทยทั้งฐานโพมากทุกกันทุกข์โทอุทโธทั้งฐานสัตว์นั้นความคิดเรื่องนั้นวันนี้ มันหาใครก็มีใครมันเลือกคิดตัวนี้มันเป็นเรื่องโลกมันคิดทําไมเลยโดยหัวใจแล้วมันจะหมองถึงมันไหนหน้ามันก็มองตามมันเป็นอย่างนี้มันกระนี้มันก็รู้สึกเอออยู่กันทําดีไม่ยุ่งเรื่องคักโลกลุ้นลุ้นที่เพียงบางทีไอมันหลายเป็นอย่างอย่าให้ยุ่งเลย ลักษณะนี้เกี่ยวกับลงข้างนอกมันไม่เข้ากันกับพวกอันนี้มันก็เคยกันอยู่สบานประมาณกับไคลกองตามอดําพันธุ์นี้มันลุ่มลงไปช่วงส่วนน้อยมันลุ่มกําลังไปส่วนนี้ที่นานไคลกองตามผ้าตามของส่วนนั้นส่วนนี้ไปมันเพลินเป็นความลุ่มลมของผิดตรงนี้หาทําสบายดีมันมีการนี้ ท่านหาไปตรวจสอบเสื้ออยู่ชื่อโทรโนที่หน้าสถานที่เนี่ยมันปักได้กงคำเหลงนี่ก็หักเนี่ยไม่ว่าจะทําอะไรเจ้ากว่านั้นถ้าเกลบกันทั้งแต่ว่ากลับออกเสื้อข้างข้างเป็นเหยียดขนก็เท่ากับลบคําทั้ง and 2 เข้าออกเมื่อเราเดินความดับธรรมวุฒิสร้างขึ้นแล้วแต่ความดี ถ้าตามไหนคือมาผู้มองอุดมทุกถาวรเนี่ยไอ้ผลของเราอย่างนี้เรามั่นเรื่องนี้เมื่อควรถูกแล้วต้องถูกน่ะเมื่อควรดีแล้วต้องมีความพรหมก็ต้องถูกมันติดต้องผิดควรถูกทั้งหมดไม่ความถูกดูกระทําเมื่ออนุปคมอ่ะคุณดีอยู่แล้วท่านไม่ต้องถามนี่เพราะงั้น ก็ราวด้วยเตรียมนอนเป็นอย่างดีแล้วไฟฟันมันขึ้นมาหมดไฟถากมันทั้งนั้นถ้าก็ว่าถากคงจะต้มมือขึ้นมายอมไม่เดินเผานี้นะตอนนี้ที่เขาจะมาทําหินเผาตลาดต้นต้นทั้งเสียงเขาถากมาแต่ต้นต้นนี้ก็ดังลั่นป่าคงก็ถากกันนี่ก็ถากด้วยคําเผาคําหนา เพื่อความดีความถูกต้องของท่านที่เห็นว่าอันใดควรเมื่อปวดนะกดหมอเรื่องเนี่ยต้องถ่าลงที่ตรงนั้นที่มันตรงแล้วก่อนจึงถ่าตัวนี้นะท่านกลมแล้วกับเอามันทั้งเผือกเพื่อความใช่ของดีทั้งหลายทั้งต้องถ่าออกแต่ไม่ถ่าให้มันเสื่อถ่าเพื่อเอาเพ ภัตติก็ต้องฟังภาคว่าอย่างนี้ภัตติกันก็จะได้ยืมขวัญมาเตลเรื่องเรื่องนี้ทางงานช่างให้เป็นเมืองแปลกนี้ถึงเข้ามายืมขวัญมาแล้วช้าลงไปดูแล้วสอนคนจะให้เป็นคนดีทั้งคนสอนพระเห็นให้เป็นดีทั้งองค์ธรรมชาติให้มีเสียงสํบุสงบละฟังอย่างนี้นั่นอย่างนี้ ก็ไปจาอวินครับเอาไปอืมเนี่ยไม่หรับเพื่อทําความเพียรหาแต่เพราะว่าพระพลิกหรือทับเพื่ออะไรก็เห็นน่าทํางานหาที่ยังไม่ได้แล้วก็พระองค์นั้นเองประกอบความมรรคให้สําเร็จถึงมรรคผลนิพพานทับไปเพื่อจะท่านถึงมรรคผลนิพพานนะ มาพอรีมาดูทําไมดูรูปเราจะถามพวกเครื่องเหมือนกับที่ทุกพวกป่ะอันเป็นความประพฤติจริงๆนะเนี่ยทั้งนั้นหาความตั้งงามที่ไหนเป็นความเพ่งปิดโมคคะที่ทุกมาดูในสิ่งไม่ดูทําทั้งทําในสิ่งไม่ทําหนีเดี๋ยวนี้หลังอย่างนี้ก็อยู่เบื้องต้น พอพออยู่ตรวจถึงภูเขาขึ้นไปภูเขาได้เป็นเบาะตรงนี่นะฝ่าวงจะป้องนอนกันโพรงต้องเต็มพระธรรมนี้ครับพระคดีเราจะทั่วทั่วโถปรธรรมะนี่เคลื่อนปัญหานี่ทั้งนี้ก็ครองอยู่ได้ปฏิบัติเจ้าไม่จะขัดลายเพื่อความที่ขายให้ช่วยให้มาตามอย่างนี้ เราไม่ได้ขับเทเข้ามายกมหาการตาหลังมันเป็นอย่างนี้หรอกครับเธอเพิ่งเป็นผู้อยู่ผมบอกเป็นจักรราครั้งนี้ของเฮานี้ได้สําเร็จมากกว่านี้ทําได้มั้ยล่ะมีมังกรนี้ยกมันขึ้นอย่างนี้ก็บอกเพราะทําดับวิญญาณนึงอย่างนี้ก็บอกเราจะดับนอมดับกรรมหนหนนี้มาส่งกันด้วย Da venem, ma kare mea miệng nhan. Nếu dù Tu Ba A-chang qua rơi thẳng, vương vũi lông dạc, Phúc tử du dạc ma véo. Ma se Tu Ba A-chang tháng lá ngay kare kare kare la mao, Uttayit chung nhan du dạc, vui hái để xuống như nhanh. Khan du dạc, du dạc vui hủy rơi xuống. O vết chân tu dạc thẳng, bước thân chan mang dùm trong. Qua con kể hồn rung rung rung rung rung rung rung rung rung rung rung rung rung rung rung rung rung rung rung rung rung rung rung ไผอยู่ที่ไหนคืนนี้แข็งหมดนี่แล้วถึงต่อหน้าต่อตามนั้นทั้งวันจะแช่ท่านเดินกลับหลังมามั้ไผเลี้ยงเปี้ยงเปี้ยงของมันหินไม้ต้นท่านเดินเด่นถ้าอุ๋ยไหนอยู่ที่ไหนอยู่ยืนตัวแข็งเลยอืมต้องมีกําลังกองน้ําจนถันมันนั่งถันน้ําอยู่เป็นพรรคคือกองน้ํามันน้ําน้ํานี่ก็มาปองหน้าอยู่ในน้ํามันก็อยู่ท่านพักๆอยู่ในดงนี้ ท่านก็มักขึ้นตรงนี้พระอานนท์ก็เลยยืนแข็งง่ามถามนางมานะนั่งตัวแข็งง่ามคงนึกว่าจะคิดทําไมท่านกุ๋งกับทางการโดดตูนไม่มีสติทั้งโดดลงแม้มีสติทั้งนั่งขณะนั่งตรงนี้สติลืมตัวท่านมายืนต่ํากว่าเราอันนี้ก็นั่งสูงท่านไม่รู้ตัวท่านก็ไม่มักสงใจเลยว่านั่งสูงมันต่ําท่านสงใจเรื่องของท่านฮะพระอานนท์เลยเอานี่ คณะหนูออกต่างว่าไปหาไม่ได้ป่านนั้นน่ะได้บอกใครได้หรอกครับหือพวกกันขอวิสัยจากใครมาอุโลมกันครับจริงๆแล้วทําถึงถึงครูบากามไม่คํานึงถึงดับทําหลงด้วยอะไรมันเป็น concept ของพรรคของหนึ่งที่ตลอดที่ผู้ปกครองปฏิบัติต่อกันหือเหรอฮะเอาล่ะเอานะทีนี้ผมไม่อยากจะขายขออยากจะขายว่าอาไข่ มันมีทางออกที่นี่เหรอเออหลายท่านมาหาบัวท่านเอามาเป็นเป็นผู้ให้สายพวกท่านเหรอสมมุติสนสายกูก็ขยิบหนักเข้าไปอีกทีนึงกูตายจนมันเอากอบัวมันมัดอยู่แล้วมีทางไปอืมอืมบางธรรมดาท่านที่ว่าว่าเราเนี่ยท่านไม่ได้ตั้งใจว่าว่าเรานะแล้วสายกูนี่แหละนั่นกับครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอามันไออีกทีนึง ท่านเลยเห็นว่าเราเราผิดแค่นิดเดียวเมื่ออ่านนั้นมันคงยังไม่ถูกหรอกนี่นี่ก็พลาดเรื่องน้ำหนักนี่ตายดีครับนี้นึงประนามนิสัยเนี่ยท่านเอาเพราะว่ามันถ้าไปเลยมันต้องครับก็เป็นภาพผิดดีๆนี่มีอันหนึ่งที่พอผมจะออกได้ อือถ้ากราบเรียนท่านไม่เป็นไม่เป็นคําผมถ้าประเมินที่เลยผมก็ต้องยอมขายเนี่ยโผล่นั้นไปไปผมก็จะบอกว่าผมก็จะพูดกับตํารวจถึงไม่ใช่เป็นทางลาวันนี้เฉยๆมันก็เป็นอืมมาเอาหมูนี่ต้องมาอวยเองทําอ่ะถ้ามามาอีกจะต้องบอกผู้ว่าอาการขนาดนั้นไม่แค่มันผมไม่เนี่ยค่อยจะอยากเป็นหมูอย่างนี้ขึ้นมาก็กลับมาให้ทานเป็นนอนครับ คุณน่ะไม่มาไปผมมาพาไปเถอะพาท่านไปเป็นที่อยู่บ้านมันหมดผมก็ได้ทําคนบ้านรับเข้ามานั่นเดี๋ยวคนมาเป็นขายเนี่ยระหว่างนี้แต่อันนี้ผมไม่ได้ถือเป็นอ้างว่าลาท่านลาผมหรืออะไรนะนั่นผมเอากันนั้น ท่านท่านเจ้าห้องแล้วท่านเพิ่นมาบอกเอ๊ะทําไมไม่ได้ท่านทํามาเราไปเอาอะไรรีบมาครับแล้วเอาไม้ท่านประตูมาด้วยครับนี่เป็นคําอํานวยกับผมไม้เนี่ยประตูเนี่ยมันหักไปอันหนึ่งครับคุณนี่ที่อันไม้ประตูออกวัดแล้วม่านเสริมด้วยอย่างละอันว่าผมก็เลยได้เอานี้มาใส่เพื่อกราบเรียนท่านทางสายสายท่าน มันก็ไปแล้วก็ทํามาว่าธรรมดานะคืออย่างจังก็เป็นการรบกวนครับสามารถกับผมก็ได้หลวมตัวเลยให้ไปคือเห็นมรรคประตูนั้นนั่นมันพะแล้วฉัดมันเข้ามาบดไปท่านอาหมะนี่มาด้วยผมก็ติดกับผมก็ยอมรับหมดแหละครับเวลาขึ้นไปนี่ผมเห็นอาการท่านว่าท่านไม่ตั้งใจร้ายผมหรอกท่านตั้งใจเห็นพระอานนท์เพราะฉะนั้นท่านกิริยาอย่างนั้นท่านไม่เคยช้ากับผม มันอารมนะวนตั้งขึ้นไปโอ้ยท่านธรรมการยิ้มแย้มแจ่มใสกับเราพอนับดุบพัดเดียวนี้แล้วเราก็ขึ้นไปเราก็ขึ้นไปแค่ทางนี้ใครจะขึ้นไปนะครับขึ้นดุบอยู่เราขึ้นไปพอเห็นเขาก็ดังเฮ้อนามอะไรอ๋อท่านนำร้อนแหละอะไรนะนะพอเห็นเขาก็คุยกันนู่นคุยกันไอเลื่อยๆท่านไปเลยซึ่งไม่เคยที่ผมก็รู้ แล้วเราจะหาออกกับพูดดังนี้เมื่อไหร่ก็พูดไปนั่นเจอมาทางท่านมีพ่อท่านคงครอบครัวกลับมานี่นิ่งนิดนึงเราก็ไปหาใหม่พูดกับท่านดังนั้นนี้ไปแล้วดังนั้นเราก็เริ่มเรื่องนี้ขึ้นมาพอเริ่มนั้นขึ้นมาแล้วก็มอบการให้หลายตัวเลยบ่าเราคิดแล้วบอกเมื่อเช้าเนี่ยก็ผมรู้สึกจริงๆได้ยอมแล้วว่าผิดและให้เพื่อนฝายและเพื่อนฝาย ก็เห็นนั้นนั่นนั่นก็ปลูกต้นไม้ที่มันมีเหมือนกันบางคนเค้าจะมาเอาเค้าก็มีทางเลยถ้าอัธรังค์เจ้ามีไปก็ไปจอมขาจอมพ่อแม่พูดทางเข้าห้องแล้วเนาะไม่เราก็จะเป็นการรบกวนให้ทุกท่านก็รออยู่กับต้นไม้เค้าเอาไม้ไปไปเลยทําเป็นละกันเอาไปแล้วจะกลับเย็นใหม่ก็เลยปล่อยให้ไปก็ผมอยู่ตรงนี้ยอมรับหมด วันแรกเนี่ยเดี๋ยวพอพ่อบุญจะประยนต์เค้าหลบเค้าเอ้ยเป็นอะไรน่ะท่านก็ไปนู่นอีกอย่างนู่นยังไม่จบนะคือท่านก็มาเกี่ยวข้องเรื่องนี้เลยท่านก็ปานท่านที่นี่เรามันมันยังมีความคิดเต็มตัวอยู่นี่พอท่านมามาอีกแล้วก็พูดจรแล้วก็ขยับมันเข้าไปอีกท่านว่าจะเป็นอะไรเอ้ยท่านก็ไปนั่นไปนู่นอีกไปเรื่องไหนเรื่องไหนเรื่องเก่าเรื่องแก่ท่านไปเลยซึ่งท่านไม่เคย กับผมเลยพอท่านจะพูดแต่ธรรมะต้นล้วนพอท่านเคยเห็นผมขึ้นไปต่อ 2 แล้วท่านเป็นพูดธรรมะทันทีเลยพอลืมมือสายผมวันนี้สายผมถ้าวันนี้ถ้าผมเป็นงั้นถ้ามีท่านอย่างนั้นด้วยแล้วเรื่องของผมจะไม่พูดเถิดถ้ามาคุณเป็นท่านก็ไม่ไปถามผมเลยเรื่องปัญหาธรรมะเป็นยังไงใจมันก็เป็นต้นน่ะจะไม่ถามเลยเราก็ไม่ไปเกิดนะท่านมหิตใครลําบี้จะท่านเราเอาล่ะคุณอืมเสียงมันลั่นนั่นก็ลั่นพอเข้ามา 2 แล ว, คนได้ยินระดมทางนั้นครับลุ่มเหมือนกันต่างกันนิดเห็นว่าตอนหลังว่าสมมุติครับถ้าเป็นโตบัตรใดตัวนั้นโดยนิสัยผมมันหาคําบินอยู่นี่กฎกับครูกฎวางการแต่ละหลักเหตุผลนี่เป็นหลักสําคัญที่เราต้องทําอย่างนี้เพื่อความเปิดทางระพันท่านสําคัญขนาดไหนก็คือการเปิดเผยเท่านั้นแหละเพราะนั้นน่ะครับคือเป็นนั้น ผมมาก็เหมือนเหมือนดึงทั้งไหมท่านท่านก็บอกเรื่องคตนาไม่ใช่เหมือนเฮ้ยคตนาไม่ใช่นะครับครับนี้ครับนี้อะไรผมได้บางไปนี้เนาะแล้วท่านมันไปเลยอีอีนึกว่านึกว่าจะว่ามันซ่ามันมันต้องจะเดินตัวถึงว่าปฐมนั่นอีกน้องสภาพจิตนี้แต่ผมเนี่ยไปตัดเพราะลองนั้นน่ะ มันมีทางไหนถ้าจะจะวิ่งที่มาผมที่มาผมผมจํารักตัวใหญ่แต่มันก็มีช่องที่จะรับโดยมันไม่มีความคงแข็งมันมีเงื่อนไขที่จะทําได้อย่างที่ว่าจับขึ้นฝักเรียนท่านได้อย่างที่ว่านั้นพอเรายากไปถ้าผมว่าอยากไปนักวิภักค์นั้นก็ไปในนั้นจะคุยผมได้เหรอเพราะท่านเพราะนั้นก็เคารพผมเหมือนกันเนี่ยจะอยู่กับท่านได้มากมายไม่องค์อาจจะมาเรียกผมได้กลัวผมเหมือนกันเนี่ย ข้างหน้ากับตรงนั้นจ้องตาแต่รูปนั้นผมคิดไปึกเหมือนกันพอเราเอากินกันตั้งเราคิดใจให้คนทุกอย่างมาอยู่กับพ่อแม่ผู้ว่าการเรามาเองทั้งหมดนะแล้วประชุมรับประชุมอย่างสะพานนี้เราก็ตกประชุมมาเลยเรียนรับรวมรวมอย่างเงี้ยเรียบทันเหนมอันนี้การกับข้อมันสะดวกได้ไม่สะดวกตาเรามองอย่างเงี้ยเรื่องนั้นตื่น จะให้ถึงข้อหนักใจไปถึงท่านนะแล้วมาเองทั้งนั้นท่านอยู่บนทางท่านเห็นมั้ยท่านอยู่ภูเขานี่แหละเนี่ยใจจนจะสะพรัยนี่ลมมาให้กระดุมมาลมมามาแล้วมาท่านอยู่บนท่านหนักขนาดนั้นเอาวันนี้เน็บขึ้นเลยเรื่องวัดเข้าว่าเหมือนกันผมนี้ที่เน็บด้านๆนอนแอนี่ถูกเน็บด้วย <c ười> ความวัดกันหว่าเราจะต้องเป็นหัวหน้าออกก่อนเพื่อนเหมือนกับเป็นลูกเขือใหม่ๆนําหมู่เพื่อนอืมทุกข์มากผมพูดถึงเรื่องนี้ก็ว่ามันเป็นอาจารย์ก็เกี่ยวกับหมู่พวกเพื่อนเดินหมู่ด้วยหน้าอย่างเงี้ยงั้นนั่นเป็นความหนักใจได้เราไม่หนักใจกันให้หมดผมพูดถึงเรื่องนี้ต้องหนักใครจะเปลี่ยนหมู่ก็ท่านทําไม่ได้เพราะฐานะของมันมีแยกไม่ได้ท่านอยู่ที่แยกท่านทั้งหมด พูหารัสสัมมหาเถระนั้นหัดอะไรน่ะไม่ยอมงามยอมงามมันถึงใจมีเวลานานๆท่านไม่ได้ดุไม่ไม่ดุมันมันไม่ได้ฟังธรรมะเกิดแน่นอนเด็ดๆเราเห็นหีอุมาห์ถึงนู่นแต่บางครั้งบางครั้งมันขึ้นบ้างลงบ้างเดี๋ยวท่านบ้างแบ่งกันมาก็เตียงเอาล่ะอีกนะเป็นถ้าเกิดท่านดุท่านดุเราไม่มากก็ช่วย <c ười> <c ười> ท่านก็ทราบแล้วก็ห้ามว่าสิ่งที่เสียหายเกิดความเสียหายให้ท่านบุญนั้นมีอะไรนี้เราก็ทราบเราเองมันน่าเป็นณขณะที่ความสนิทใจนั้นก็ดุจไปคุณก็ได้อํานาจมาท่านก็รู้ในสายเราครับว่าเรายังไม่คืนทางแค่ไหนไม่ดูกันท่านก็รู้อีกที่ท่านจะทุกเรานี้ดูไปนั้นมันน่าจะดุจ ยังขอปฏิบัติมันไม่ดูแคปของเพื่อนน่ะทําตัดส่วนก็อยู่อะไรด้วยอืมอืมเนี่ยพูดกันไปก็พอได้ดูแล้วเวลาอยู่ด้วยกันมีเวลาเดียวที่ว่ากันนี่มันสั้นเล็กนะ ออกจากครูบาอาจารย์นั้นมันก็เริ่มเต็มเพ็งนะใครมีเพ็งน่ะอย่างงี้สถานะมันเจ้าไปขายจนมีผมมันมันจะขายครูบาอาจารย์ว่าว่าอย่างนั้นก็ว่าแล้วมันก็เป็นอย่างงี้เห็นมั้ยการทําเริ่มเต็มเพ็งไปเองทําครูบาอาจารย์ได้แล้วมันผิดมั้ยล่ะมันไม่ผิดดูก็อยู่ตรงนั้นมันรู้ใครองค์ไหนที่แรงแข็งอะไรตั้งแต่ไหนมันรู้ ท่านของแม่ท่านแม่ยํามันอยู่ทําคนอยู่ครอบมะนาวก็ถามกินมันมันอยู่ครอบมะนาวตรงนี้มันทําเช่นนี้คนเวลามาทําคือบางทีอืมคงน่ะก็มีท่านจากกับท่านนั้นบ้างท่านนั้นอืมเหมือนเดิมก็เหมือนกันจริงอืมนั่งอยู่ตรงนี้อืมท่านวางแล้วก็เป็นผู้ปฏิบัติบาทท่าน เป็นนั้นทำตัวขันอย่างนี้โหขันมากนะขายเลยที่มีอยู่บนนั้นมีเรื่องโคยคุณครับหัวมันมีหมอนด้วยอ่ะเดาไม่ได้เรื่องนี้จะเลิศนิดนึงมากมันคล้องตัวทั้งหมูมันความเพิ่นเหมือนว่าตัวเท่าช้างบ้างทั้งทั้งที่มันกับตัวเท่าหมูนั่นแหละความสําคัญเรื่องเลิศทั้งนั้น เช่นทําวันนั้นแล้วไม่ตื่นอืมไม่ว่าจะเท่าไหร่เลยถ้ามหาคมยงมามันไม่ตื่นตื่นอะไรเข้ามาพรหมกราบธรรมทําธรรมกับมหาคมยืนวิปุธิธรรมภายในใจเป็นภูมิได้แล้วนั่นแหละนะมีเท่านั้นฟังเย็นในเหนือนั้นเลยว่าอะไรๆก็เหมือนเหมือนกันหมดมันจําทุกข์ของว่าตามที่นายรู้แล้วหมดเหมือนหมดสมมุติ ตั้งนี้มีผู้ตรวจคุณหลวงตรวจดาวเที่ยงได้ไปไหนว่างสูงอย่างเรานี่เราตั้งเอาเองได้ฟากหลอกตั้งเหมือนจะหลบเหมือนดาวเที่ยงมันก็ตั้งได้แต่เราต้องนั่งจับอย่างนี้เนี่ยอย่างนี้เราตั้งอย่างนี้ตื่นกัน ที่เรียกถึงคุณตั้งขึ้นมาที่เรียกกันหลงกันเนี่ยหลงจริงๆอย่างง่ายน่าจะถึงพอตัวเองมันก็ได้ถึงทุกใครจะชมกันได้ถึงขอพักคิดมันจะเกิดการนี้ออกไปหมายความว่ามั้ยหมายความว่าอย่างงี้เค้าชมงอมอืมเค้าก็มีดําเมื่อเค้าตบด้วยใจ ดำเป็นเหมือนทางไฟไม่มีไฟพอให้เข้าเป็นทางมีไฟก็แดงโลกพุ่นเนาะมันจะเลือกนี่เท่านั้นคือไม่พอดีถ้าคิดไม่พอดีอีกอย่างเดียวหลอกประคําเขาว่ามันเป็นความหมายอะเพราะว่าไม่ดีเหมือนจะเขาไม่ดีจริงๆก็โกรธเขาด้วยถ้าเหมือนจะเขาไม่ดีโกรธครับนี่ทําลายตัวใหญ่ multimodoro po imot福, mang pecamin hati ma mean ala